และจุดเด่นเด่นเหล่านั้นจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไม่ใช่เด่นแบบไปกระจายอย่างเช่นว่า <c oughs> พระพุทธศาสนาเรามีสอนเรื่องอนัตตาพุทธศาสนาเราสอนเรื่องวิปัสสนาซึ่งเป็นของเฉพาะและวิปัสสนากับอนัตตาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเหตุปัจจัยอย่างแยกไม่ออกเพราะว่า <c oughs> อนัตตาเนี่ยอธิบายได้ด้วยเหตุปัจจัยอัตตาไม่อธิบายด้วยเหตุปัจจัยใช่ไหมฮะ และ ว, วิปัสนาเนี่ยปฏิบัติแล้วก็เห็นอนัตตาเป็นตัวหลักนะแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยจะไปเห็นอนัตตาโดดๆแล้วไม่เห็นเหตุปัจจัยไหมตอ น, น้พระพุทธเจา้าอธิบายอนัตตาท่านจริงอธิบายด้วยว่าสภาวธรรมทั้งหลายยืนอยู่บนเหตุปัจจัยแล้วคนเห็นอนัตตาเนี่ปัจจัยแล้วก็ยกระดับของภูมิจิตภูมิธรรมให้สูงขึ้นไปได้เราจึงพูดว่าพระพุทธศาสนานะเป็นศาสนาแห่งเหตุผล แล้วคาว่าเหตุผลเนี่ยเป็นจริงๆก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของปัจฐานถ้าจะถามว่าปัจฐานแปลว่าอะไรผมก็จะตอบว่าปัจฐานมาจากคาว่าปะบวกอัฏฐานซึ่งอัฏฐานนั้นนมแปลว่าที่ตั้งปะแปลว่าถั่วปัจฐานจึงแปลว่าที่ตั้งถั่วนี่แปลตามศัพท์ทือๆแต่โดยความเนี่ยในภาษาบราเนี่ยสิ่งที่เป็นที่ตั้งหมายถึงที่เกิดที่ทําให้เกิด สิ่งทําให้เกิดและสิ่งที่ทําให้เกิดคาว่าทําให้เกิดหมายถึงทำให้อุบัติทําให้เป็นไปนะฮะทั้งคู่สิ่งนั้นก็คือเหตุปัจจัยใช่ไหมใช่สิ่งใดทําให้เกิดทําให้เป็นไปสิ่งนั้นชื่อว่าฐานะเป็นฐานบาลีคือบาลีที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นเหตุเป็นไปได้ฐานะเฉยๆก็เหมือนกันนะฐานะเฉยๆก็แปล ว, ว่าที่อาศัยที่ตั้งซึ่งเป็นชื่อของปัจจัย <c oughs> เพราะนั้นฐานาะฐานยายัน ยานที่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ฐานะสิ่งที่เป็นฐานะจึงหมายถึงยานที่รู้ปัจจัยพระกระฐานพระอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นที่อาศัยฐานพระเป็นที่อาศัยฐานพระจึงเป็นปัจจัยแก่องค์พระเป็นตัวรองรับองค์พระก็เอาความว่าฐานะเป็นชื่อของปัจจัยปะแปลว่าทั่วทั่วหมายถึงไม่ใช่ปัจจัยอันเดียว คำภีรนี้ไม่ได้แสดงปัจจัยอันเดียวแต่แสดงปัจจัยทุกอย่างรวบรวมปัจจัยทุกอย่างรวบรวมเหตุปัจจัยทุกอย่างมาไว้ในที่นี้อย่างหมดสิ้นจึงเรียกว่าปัจฐานเพราะแสดงปัจจัยทั่วไปทั้งหมดครบก็ได้นะเราแปลว่าครบก็ได้แสดงปัจจัยครบจึงเรียกว่าปัจฐานทีนี้ถ้าเป็นตัวคำภีร์เรียกว่าคมภีร์มหาปัจฐานมหาแปลว่าใหญ่เป็นคําแสดงความยกย่อง มหาปัจฐานคือคำภีร์ที่แสดงปัจจัยเ่างครบทั่วแล้วก็มหาแปลว่าใหญ่คือคำภี์ใหญ่ขอให้มาดูบทสรุปที่เกี่ยวเนื่องไปถึงกรรมีมาปัจฐานนะว่ า, าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาแห่งเหตุผลหรือาศาสนาแห่งเหตุปัจจัยหรือาศาอสน า, าแห่งปัจฐานนั่นแหละแห่งเหตุผลไม่ใช่เหตุผลในมุมใดมุมหนึ่งแต่เหตุผลทั่วไปทั้งหมดโดยเฉพาะเหตุผลที่เราต้องเน้นในหมายถึงเหตุผลในชีวิต ในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตพระพุทธเจ้าเน้นตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเหตุผลอื่นๆเหตุผลอื่นก็ครุมไปถึงแต่ว่าถึงอย่างไม่เน้นไม่อธิบายรายละเอียดมากจึงเป็นเหตุผลของชีวิตชีวิตจึงเป็นกลุ่มก้อนหน่งเหตุผลในนี้ถึงได้ว่าพระพุทธศาสนา <c oughs> เป็นศาสนาแห่งปัญญาโดยชื่อก็เป็นชื่อแห่งปัญญานะ อันนี้ผมก็ไม่ไมไ ม, ไม่อ่านละนิยมปัญญาเพราเหตุผลเนี่ยเข้าถึงได้ด้วยปัญญาเวลาเราพูดว่าคนมีเหตุผลเนี่ยก็มักจะแสดงว่าคนมีปัญญาคนไม่มีเหตุผลก็คือคนโง่ใช่ไหมคนไม่มีลักษณะปัญญานนคนที่มีลักษณะเหตุปัจจัยก็คือคนมีลักษณะปัญญาและนี่ก็จริงทีเดียวครับคนปัจฐานได้ต้องเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดต้องมีลักษณะทางปัญญาไม่อย่างนั้นไม่เคยอยากฟังเรื่องเหตุผลคืออยากเอาบอกมาเลยเอาอยัางไงขอโทษเถอะมันเหมือนโวมือนควายไม่ต้อง นั่งอธิบายว่าอย่างางี้อย่างงี้จะให้ทําไงทําเลยแต่จะมานั่งจระไนวะเพราะอันนี้ น, นี่นี่มันรู้สึกมันเฟื่อมันอธิบายแล้วตัวสับสนทั้งที่ไอ้เรื่องนี้มันทำให้ไม่สับสนนะก็เลยอยากจะฟังเอาเป็นข้อสรุปอย่างที่ไม่ใช่เรื่องของหลักศาสนาไปเรามาพูดถือว่าเหตุผลเป็นทางเดินของปัญญาเป็นคลองทางของปัญญาเป็นถนนของปัญญาก็แล้วแต่จะพูดะนะเหตุผลไม่ใช่ตัวปัญญาปัญญาไม่ใช่ตัวเหตุผลไอ้ตรงนี้นี่ยหมายความว่าเหตุผลเป็นอารมณ์ ของปัญญาอย่างเราเรียนเนี่ยปัจฐานเรื่องที่เราเรียนเป็นอารมณ์ปัญญาเราเป็นตัวจับเอาเอาปัจฐานปัจจัยเป็นอารมณ์เดินไปตามหลักการนนะั้นปัญญาเรากําลังเดินทางเวลาเราปฏิบัติกรรมาฐานวิปัสสนานามรูปกระแสะเหตุผลที่ปรากฏนั้นเป็นอารมณ์ปัญญาของเราที่แทงตลอดสํนวลดู้กําลังเดินไปด้วยวิธีการปฏิบัติตอนนี้ฟังตอนปฏิบัตินะ่ะเป็นภาวนาลงมือปฏิบัติมันเป็นทางเดินอย่างนี้ ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วปัญญาไม่มีเหตุผลเลยปัญญามาจากไหนปัญญาอยู่ในกฎเหตุผลมั้ก็ตอบว่าอยู่ในกฎเหตุผลแต่ตรงที่เรากำลังบอกว่ามันไม่ใช่เนี่ยกำลังแยกส่วนไงว่าปัญญาตอนรู้กับปัญญาสิ่งที่ปัญญารู้ตอนนั้นน่ะอารมณ์ไม่ใช่ปัญญาปัญญาไม่ใช่อารมณ์ปัญญาไม่ใช่เหตุผลเหตุผลไม่ใช่ปัญญาแต่ตัวปัญญามันก็มาจากเหตุผลนี่เหมือนกันใช่ไหมถามว่าปัญญาเกิดจากอะไรเราก็ตอบได้โยริโสมนตริการ เกิดจากการสะกบหลับฟังอนี้อย่างอย่างแงหนึ่งแล้วก็เกิดจากเหตุผลอย่างอื่นอีกเยอะด้วยกันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญญาอันนั้นก็เป็นการอธิบายครอบเอาปัญญาเอาตัวรู้มาอธิบายในทางเหตุผลแต่ในที่นี้นะผมหมายถึงในแง่นั้นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อจะตรัสรูเนี่ย เราก็เห็นชัดเลยว่าท่านหาเหตุผลแล้วจึง ต, ตัดสลุตัดสลุ้นยการหาเหตุผลจากประสูตรเหล่านี้เราได้พูดมาแล้วว่าตั้งปัญหาว่าเพราะอะไรหนอมีอยู่ชลามรณะจึงมีจึงได้ตัดสลุ้ด้วยปัญญาว่าชาติมีอยู่ชลามรณะจึงมีเนี่ยพอเห็นอย่างนี้จักสุ ญาณปัญญาแสงระหว่างบังเกิดแก่เราในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนมีเป็นการประกาศว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ฟังจากคนอื่นแต่จะรู้เองและเป็นของมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาต่อไปพระไตรปิดกหรือคำพีมหาปัญฐาอย่างที่เรากำลังพูดถึงนี้ หรือปัจจัยี่สี่เนี่ยนี่คือร่องรอยแห่งปัญญาหรือเป็นผลิตผลแห่งปัญญาของพระพุทธจาตอนแรกนะเหตุปัจจั ย, จจยหรือเหตุผลมาในฐานนะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาพุทธเจ้าทรงเห็นชารามะ น, นะนะแล้วก็ได้ปัญญาเสร็จแล้วท่านก็เอามาสอนเอามาสอนเมื่อสอ น, สอนเมื่อเทศนาคาสอนเหล่านั้นสอนด้วยปัญญาที่ทแถลงแต่ททแทงตัวเหตุผลก็ถูกจารึกเป็นสิ่งหลงเหลือเป็นผลิตผลของปัญญา เนี่ยมันก็หมุนวนกันไปกันมาทีนี้เราเองเรามาเรียนปัจฐานพระใจพิดกเป็นเหตุของปัญญาเราใช่ไหมเราเอาไปบอกต่อเอาไปแนะนําคนอื่นเรอปัญญาเราเป็นเหตุให้เหตุผลแก่คนอื่นเหตุผลของเราที่เราแสดงออกก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาแก่ผู้อื่นต่อไปเพราะฉะนั้นปัญญากับเหตุผลก็เกี่ยวพันกันไปกันมาอย่างนี้ทีนี้เรื่องคําว่าเหตุผลที่ แสดงไว้นะพุทธศาสนาที่ผมสรุปให้ฟังเนี่ยพอพูดว่าเหตุผลเหตุผลเนี่ยเราเข้าใจว่าแค่ไหนมันมีความหมายเป็นข้อต่างกันอย่างนี้ฮ ะ, ะพูดถึงว่าอาตรงนี้ว่าถึงพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุผลสอนให้มีเหตุสอนไม่มีเหตุผลไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับที่เราเลยได้ข้ อ, ขอปฏิบัติว่าเราจะพูดอะไรแม้แต่แสดงเรื่องเหตุผลเนี่ยนะจะให้เหตุผลเนี่ย ก็ต้องมีเหตุผลด้วยไม่ใช่บอกแค่สิ่งที่ฉันให้มันเป็นเหตุผลอยู่แล้วคุณไม่ต้องมาถามมาทาไมฉันต้องพูดอย่างนี้ได้ไหมเช่นเราจะบอกว่าเนี่ยคุณอย่าทำอย่างนี้เพราะอย่างเพราะอย่างนี้อย่างนี้เราต้องมีเหตุผลว่าทำไมเขาเนี่ยสมมติเราเขามีอาชีพฆ่าตัดแต่ชีวิตไปถึงเราก็เจอใครเราตัดหมดเลย ไปสมาคมประมงเราบอกเนี่ยฆ่ า, าสัตว์เป็นบาปไหอยาง้อยางี้งให้เหตุผลอย่างนี้น่ะเราไม่ได้ใช้เหตุผลในทางแสดงเหตุผลพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ารู้ว่าใครยังไงบางคนท่านก็พูดบางคนท่านไม่พูดท่านมีเหตุผลนั้นเหตุผลที่จะพูดเหตุผลคือหนึ่งเหตุผลเกี่ยวกับตัวบุคคลนะว่าบุคคลนั้นเราสมควรแสดงไหม และบางอย่างก็เป็นเหตุผลเกี่ยวกับตัวหลักการว่าอันนี้นะพูดโดยหลักการไม่เกี่ยวกับคุณนะถ้าโดยหลักการนะคืออันนี้แต่ว่าโดยที่คุณจะคุณเอาไปไปฏิปปบัติการเนี่ยต้องพิจารณาต้องอะไรอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยท่านแสดงเป็นเป็นหลักการกว้างๆไว้เป็นลักษณะเมื่อเราเขียนป้ายติดว่ว่าคน ผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ย่อมสุขภาพดีและปลอดภยัยเขียนติดไว้คนต้นไม้ไมงนะเราก็เขียนเพื่อแสดงหลักการแต่ไม่ได้ไปนึกว่าไ อ, อ้คนนี้มาขอให้มันสนใจเป็นพิเศษนะชื่อนี้ชื่อนี้หรือตอนนี้อย่างนี้มันไปเกี่ยวกับบุคคลเราก็เขียนติดว่าใครรับหลักการนี้ได้ก็รับใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับนะแล้วก็ไอ้บางทีอย่างเราเิมยนหนังสือเราก็อาจจะเอาอย่างอย่างกรณีเราจะสร้างพระไตรปิดกเนี่ยเราว่าสร้าง สร้างไว้ก่อนเรายังอาจจะไม่ได้นึกหมายใจว่าพอสร้างปุ๊บคนต้องอ่านปับ๊บคนต้องเชื่อปับ๊บเราเรื่องว่ารักษาหลักการไว้ก่อนเพราะเรารู้ว่าหลักการเนี่ยเป็นที่พึ่งได้สร้างไว้สร้างไว้สร้างไว้แล้วบางค น, นง เ, เนี่ยที่สั่งสมตำราเดี๋ยวนี้เหมือเหมือนผมสมัยก่อนอ่ะสั่งสมม า, าทั้งแต่ยังอ่านไม่ออกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอ่านไม่ออกเยอะนะฮะยังไม่รู้เรื่อง ยังไม่ได้มีโอกาสอ่านก็มีเราก็รู้มีประโยชน์เราเก็บหลักการไว้ก่อนนะไอ้นังสือบางเล่มเราให้เขาเนี่ยเรารู้เขายังอ่านไม่ออกแต่เรารู้วันข้างหน้าเขาจะได้ประโยชน์เราก็ให้เขาไปก่อนบอกอย่าพึ่งนะเก็บไว้สิปีก็ต้องเก็บไว้นะแล้วคุณก็เรียนไปอีกหน่อยจะเป็นประโยชน์กับคุณเนี่ยเราเรารู้จากตัวเราเองมาก่อนเนี่ยก็เรียกว่าให้หลักการพระนพุทธเจ้าเวลาสอนถ่าถึงมีเหตุผลเป็น มีเหตุผลสองอย่างการบัญญัติีในก็เหมือนกัน้มีเหตุผลแล้วจึงบัญญัติีในขึ้นตั้งเป็นหลักการขึ้นด้วยเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้และถ้าโดยบุคคลไม่มีเหตุผลจะพึงเทศเทศแล้วแม้ท่านจะเทศได้พูดได้แต่เกาไม่เทศคนมาถามปัญหาธรรมานะ่ะเราจะตอบเราจะต้องตอบทุกคนเลยถามเรื่องเดียวกันเนี่ยเราจะต้องตอบอย่างเดียวกันทั้งสองคนเลยไม่เรารู้ว่้บางอย่างเนี่ย ถามแล้วก็ไม่ตอบตอบแล้วก็ได้ไม่ไม่คุ้มเสีย <_ C 1> เขาไม่ได้อะไรเขาดูถูกเราด้วยอะไรด้วย <_ C 1> เรามองแล้วอย่างนี้ไม่ควรตอบไอ้บางคนเราก็ตอบแบบหนักนิดเบาหน่อยไอ้บางคนเราก็ตอบไ ป, ไปเลยเต็มที่ไปเลย <_ C 1> นี่คือเป็นเรื่องให้เหตุผลที่วุฒิเจ้าทรงใช้ยอย่างนี้ต่อไปทรงสอนด้วยเหตุผลทรงสอนด้วยเหตุผลนี่ก็หมายถึงว่าทรงมียานแฉมแก่ในตัวเหตุผลแล้วก็ทรงสอนไปโดยยานของพระองค์นั้น แล้วก็สอนให้คนที่คือผมพยายามจะเลี่ยงไม่อ่านก็ว่าในนี้นะว่าอ่าตรงมียานี่เหตุผลว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรคือคือเรียกว่าจับเหตุจับผลถูกคู่ถู ก, ถ ก, ถกตัวนะเวลาชี้ว่ายังไงยังไงให้ทํายังไงอย่างไงเพื่อบรรลุผลหรือเพื่อแก้ปัญหายังไงย่งไรเป็นการชี้ อ, อย่างสมเหตุสมผลเพราะนั้นท่านได้บอกว่า ธรรมเทศนาของพระองค์เนี่ยจึงมีเหตุมิใช่ไม่มีเหตุคือบางทีพูดด้วยเหตุตัวเดียวอย่างปัฐานเนี่ยมันก็หมายไปถึงผลด้วยนะหรือพูดด้วยเหตุว่าผลก็ครอบคลุมสองอย่างอยู่โดยคําพูดแล้วก็แม่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลเนี่ยนะก็ทรงสแสดงอานิสงส์ของการที่ของการรู้เหตุผลและทลายหมดสอนให้คนมีเหตุผลชาวพุทธเราเนี่ยมีบุคลิก อันหนึ่งคือเป็นบุคลิกมีเหตุผลหยุดได้ดีเหตุผลแต่ว่าก็มีหลายคุณภาพเลงนะบางพวกก็อัตตะแบงบ้างก็มีม้างกันแล้วแต่ว่าใครเข้าถึงหลักการตัวนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าบางกลุ่มหรื อ, อชาวต่างศาสนาบางศาสนาเนี่ยไม่มีเหตุผลเอาเลยนะคือเหตุผลใช้กับเขาไม่ได้เลยก็มีค่อนข้างจะเป็นเอาเอามากมีทีเดียว เราจะเห็นว่าในชั้นต้นเนี่ยเราต้องมีลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีอัตตนันยุตามีธรรมัญยธรรมัยูตากับอตัญญูตาเนี่ยรู้เหตุรู้ผลนะจัดๆเลยแล้วก็บูงสูงเป็นอริยบุคคลที่มีคุณสมบัติชั้นสูง่ะมีอัตตาปฏิสัมพิทาธรมธาธรมะปฏิยามิทาความแตกฉานในเหตุผลเห็นไหมครับอันนี้สมบูรณ์หลุงสุดเลยแล้วก็พอมีนิรุตติมีปฏิพานก็มีสักยภาพในการแสดงเหตุผลเป็นวิเศษด้วย นอกเหนือไปจากรู้เหตุผลข้อสี่สงสอนให้รู้เหตุผลอันนี้ก็คนบรรลุทำแม้แต่คนจะทําทานทํากุศลใดๆเนี่ยต้องทําด้วยเหตุผลถูกไม่ถูกทําอย่างคนรู้เหตุผลก็ไม่รู้เหตุผลเนี่ยพุทธเจ้าสรรเสริญอันหนึ่งไม่สรรเสริญอันหนึ่งและคนบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุเหตุผลใช่ไหมอริยสัจสี่นะี่คือเหตุผลเอาละครั บ, รบเราพักกันช่วงหนึ่งจากนั้น จะมาต่อในช่วงหลังในประเด็นทำทนไป mm hmm. เชิญอักขานานว่างก่อนครับท่านสาธุชนที่เคารพครับในช่วงที่สองนี้เราจะดู <c oughs> ประเด็นที่สองนะฮะในเอกสารหน้าสองอที่ขึ้นหัวข้อว่าสั์เรียกเหตุผลเพราะว่าเราได้ใช้คำว่าเหตุผลเป็นคำนำเข้ามาสู่คำเฉพาะในกคมพีมหาปฐานาคาว่าเหตุปัจจัยซึ่งเป็น คู่คําที่เรามักใจะใช้คู่เคียงกันในภาษาทั่วๆไปในทางวิชาการทั่วๆไปนะว่าเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยหรือเพราะเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันอ่าคําว่าเหตุปัจจัยในพระอุธศาสนาแล้วก็รวมทั้งในประฐนด้วยนี่นะครับ <S <S ก็มีที่ใช้ปรากฏว่าสองคำนี้แม้ว่าฐานะจะเท่ากันคือมีฐานะของคําที่แสดงถึง ความหมายในทางส่วนเหตุไม่ใช่ความหมายในทางส่วนผ ล, ลก็มีที่ใช้ที่มีความหมายแตกต่างกันอยู่บ้างเหมือนกันบ้างบางแห่งนั้นใช้เหมือนกันเท่ากันเลยนะครับ mm hmm. เช่นในที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยในพระเดชปิฎกเล่มที่หนึ่งนะคือใช้เป็นคํำวัยพจน์กันแล้วก็ในพระเตชปิฎกอีกเป็นอันมากใช้คำสองคานี้ในฐานะเป็นวัยพจศคือมีความหมายเหมือนกันแล้วก็พูดคู่กันเป็นลักษณะของคําไพ่ลอกล้องจอง เช่นครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะไปเห็นเปลดที่ภูเขาคิจกูดเมื่อตอนลงจากเขาเพื่อมาบินสบาทในเมืองราชฤก์ในเช้าวันนั้นท่านพระกณะที่เดินทางเป็นปัจจาสมนาตามมาด้วยเห็นพระโมคคัลลานะแย้มด้วยหัติตุ ป, ปาท้าจิตท่านก็ตั้งปัญหาถามว่าเพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรหนอ จึงเป็นปัจจัยให้ท่านยิ้มพโมคคลานะก็เรียนว่าขอให้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนแล้วท่านจะตอบให้ฟังเมื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วก็ตอบว่าได้เห็นเปรตเป็นจํานวนหลายสิบชนิดทีเดียวในที่นั้นนั่นคือเหตุปัจจัยที่ทําให้ท่านยิ้มเราก็จะเห็นว่าในที่นี้เราสนใจในแง่ของรูปสับนะ ใช้คำว่าเหตุและปัจจัยแต่ว่าถ้าแยกคู่เหตุคู่ผลสองคำนี้เหตุจะคู่กับคำว่าผลเหมือนอย่างที่เราเอามาใช้ในภาษาไทยเหตุคือสิ่งที่ทำให้ผลเกิดผลคือสิ่งที่เกิดจากเหตุเหตุกับผลจึงเป็นคำคู่กันในฐานะที่อันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นผลปัจจัยจะคู่กับปัจจายยุบัน อันนี้เป็นคําในคำภีรมหาปฐานที่ใช้เป็นส่วนมากเลยทีเดียวปัจจัยก็คือตามศัพท์เนี่ยแปลว่าอุดหนุนปัจจัยุบันเนี่ยคือปัจจะอุปันนะอุปันนะแปลว่าเกิดปัจจัยแปลว่าเหตุนั่นเองครับปัจจัยยุบันจึงแปลว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยตัวเหตุเรียกปัจจัยตัวผลของปัจจัยเรียกปัจจัยุบัน ปัจจยะบวกอุปนธะต่อกันเป็นปัจจิุบันต่อไปคำว่าเหตุปัจจัยที่ใช้ต่างกันแล้วก็ไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมีเหมือนกันครับคือตัวเหตุหมายถึงตัวเหตุหลักเช่นมเมล็ดพันธุ์เป็นเหตุหลักของต้นมะม่วงปัจจัยหมายถึงเหตุรองหรือเหตุเสริมนะเช่นดินน้ำแดดลมเป็นเหตุ รองของต้นมะม่วงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปลูกมะม่วงเนี่ยไม่มีมเมล็ดมะม่วงไม่ได้มีมเมล็ดมะม่วงอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีเหตุเสริมด้วยชีวิตเราก็มีทั้งเหตุหลักแล้วก็เหตุรองเหมือนกับต้นมะม่วงออสองคำนี้ที่ใช้ในกรณีขอกอเนี่ยครับถ้าพูดถึงหลักฐานก็อยู่ในคำพีวิสุทธิมรร ปัญญานิเทศตอนอธิบายปัจจะยปริกหายานมีปัญญายาที่สองท่านใช้อย่างนี้ว่าเหตุตัวหลักปัจจัยเป็นตัวรองเออีกกรณีหนึ่งเหตุกับปัจใจใช้แยกกันขาดไปเลยครับแยกขาดหมายตามว่าเหตุหมายถึงอาคุโสรามูนสามหรือคุโสรามูนสามทารถีบฟังธรรมะ ก, กันมานานแล้วก็เข้าใจดี อาคุสลมูลสาก็คือโลพาโทสาโมหะในถือว่าเป็นมูลคือรากแก้วสำคัญของบาปบาปอาคุศลกี่ร้อยกี่พันชนิดก็ตามอาจจะริงงอกงามมาจากโลพส า, โาสายหนึ่งโทสาสายหนึ่งแล้วก็โมหะสายหนึ่งโลพาโทสาโมหะจึงเป็นอาคุศลมูลที่ท่านเรียกว่าเหตุ และกุศลละมูลก็คืออาโลภาอาโทสะแล้วก็อาโมหะความไม่โลภในทางบวกก็คือเจตนาให้โทสะอาโทสะความรู้สึกในทางบวกก็คือเมตตาอาโมหะความรู้สึกในทางบวกก็คือปัญญา เป็นมูลรากของกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายเรียกว่าเป็นเหตุเพราะฉะนั้นในพระพิธรรมจะเรียกว่าเหตุหกแล้วก็ปัจจัยที่หนึ่งในปัจจัยยีสี่คือเหตุตัปัจจัยเนี่ยเหตุัปัจจัยท่านหมายถึงปัจจัยคือเหตุหกเหตุหกเป็นปัจจัยเหตุบาปสามอย่างก็เป็นปัใจจัยให้ฉิดเป็นบาปและเป็นปัใจจัยให้เกิดพุทธิกรรมบาปคือพูดโกหกางวาจาเป็นต้น ่าสัตว์ทางกายเป็นต้นอโลพาอโทสาเหตุเป็นเหตุปัจใจให้เกิดกุศ ล, ลจิตและเป็นเหตุปัจใจให้เกิดพฤติกรรมทางกุศลมีการพูดจริงมีการเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือการบริจาคทานเป็นต้นสำหรับปัจใจที่เป็นความหมายเฉพาะ เมื่อเราพูดถึงปัจจัยเนี่ยเราก็เอามาใช้คล้ายๆกระาตางศาสนาในความหมายนี้ว่าแสวงหาปัจจัยซื้อปัจจัยสี่ได้แก่จีวรนวินบาเสนาสนะคีลานะเภสัตคือเภสัตก็คื อ, อยาคีลานะคือความป่วยไข้า ย, ยาที่เป็นประโยชน์แก่ความป่วยไข้เสนาสะนะที่อยู่วินบ า, นาอาหารจีวรเครื่อ ง, งมือผม ทางพระน่นาจจะเรียงลาดับต่างกับเราเราเนี่ยอาหารมาก่อนเครื่องนุ่งห่มตามหลังแต่ทางพระนั้นจีวรมาก่อนอาหารตามหลังก็เพราะว่านี่สรัสรนิษฐานว่าพระให้ความสำคัญแก่จีวรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระและความเป็นพระเนี่ยก็เป็นได้ด้วยจีวรก่อนและพระถ้าไม่อุ้มบาศไม่บินทบาศก็ยังเป็นพระ แต่ถ้าพราไม่โหมจีวร น, นุ่งกางเกงถึงจะวุ้มบาสอยู่คุติเนี่ยก็ไม่เจ็บละจีวรอยู่เป็นธงชยัยพราอรหันแต่โยมเนี่ยจะจะนุ่งอะไรก็ได้ครับ น, นุ่งสร่งก็ได้ทีนี้ไวยพจน์ของเหตุปัจจัยนี่ก็ให้ความรู้ในทางศัพท์ว่าเอาไวยพสถของเหตุปัจจัยอตัวนี้มีที่มาจากในพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบแปดนะอันนี้เรบอกไปแล้วที่ท่านถือว่าเป็นไวยพจ์ ที่อาจใช้ทับซ้อนกันได้แล้วก็ในพระไตปิฎกเช่นเราจะได้ยินว่าเป็นเหตุเป็นมูลเป็นนิทานเป็นสัมปวะเป็นปภปวะอย่างเช่นว่าชาติเป็นเหตุเป็นมูลเป็นนิทานเป็นสัมปวะเป็นปาวะเป็นสมุทฐานแก่ชราและมรณะที่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงใช้เป็นไวยพจในลักษณะพูดคําเดียวก็ก็ได้แต่พูดหลายคําเนี่ยก็เพื่อหนึ่งความไพเราะ สองความว่าเข้าใจได้ของคนหลายๆคนที่นั่งฟังอยู่ทีนั้นหนึ่อยจากว่าแต่ละคนเนี่ยบางทีจะมีความรู้ลึในรสชาติของคำพูดต่างคำมาต่างกันแต่พระพุทธเจ้าต้องการจะบอกว่าท่านพูดในความหมายเหมือนกันทุกคนก็จะเทความหมายลงมาอย่างจุดเดียวกันในถ้อยคำที่ตัวเองคุ้นเคยแตกต่างกันเหล่านั้นนั่น คำเหล่านี้คือมูลเหตุนิานาาาทานสัมภาวะปภาวะสมุทฐานอาหารอารมณะปัจจยะยสมุทยัยมีความหมายเหมือนกันในส่วนหนึ่งนะแล้วก็บางแห่งอาจจะต่างกันเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ใช้ต่างกันเมื่อไหร่ใช้เหมือนกันก็เวลาเราอ่านแต่ละที่เนื้อความก็จะบงังคับเองครับถ้าเราไปอ่านพบคําว่าอาหารในอาหารสี่จะไม่ได้หมายถึง เหตุปัจจัยแต่แล้วนะจะหมายถึงอาหารสี่เท่านั้นหรือไปอ่านส ม, มุทัยในอาเดียสัตว์สี่ก็หมายถึงตัณหาเท่านั้นจะหมายกว้างทั้งหมดไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของถ้อยคําทีนี้มาถึงหลักเพียงเหตุผลอันนี้จะลงขยับเข้าไปสู่เรื่องปัจฐานใกล้เข้าไปทุกทีนะครับเหตุผลที่ใช้ในพระุทธศาสนาเนี่ยนะมันมีสามแง่ด้วยกัน แง่ที่หนึ่งเหตุให้เกิดผลคำว่าเหตุให้เกิดผลเนี่ยเหตุเป็นตัวทําให้ผลนั้นเกิดอันหนึ่งเช่นสมุไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกตัวสมุไทยคือตัณหานั้นทําให้เกิดทุกหรือกรรมทําให้เกิดวิบากอย่างนี้เรียกว่าเหตุให้เกิดผลเหมือนกับอ่าผลมะอาต้นมะม่วงทําให้เกิดผลมะม่วงเมล็ดมะม่วงทาให้เกิดต้นมะม่วงนี่เป็นเหตุ ที่ทําให้เกิดจริงๆสองเหตุให้ถึงผลเหตุให้ถึงผลเนี่ยไอ้ตัวเหตุไม่ได้ทําให้เกิดผลนั้นหรอกครับแต่ว่าเป็นเหตุทําให้ถึงอย่างเช่นว่าอท่านมาถึงที่นี่อรถเป็นเหตุให้ถึงหรือทําให้เกิดตึกหลังนี้เป็นเหตุถึงไม่ใช่เป็นเหตุเกิดตึกหลังนี้เพราะฉะนั้นในอริยสัจสี่เนี่ยมักเป็นเหตุของนิโรธเนี่ยมีความหมายว่า มักเป็นเหตุเป็นปฏิบัติฐาให้ถึงนิโรธไม่ได้แปลว่ามักแต่สร้างนิพพานนิโรธคือนิพพานนิพพานนั้นมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดไหมไม่มีนิพพานเป็นอสังขตาธาตุนั่นนิพพานเนี่ยใครไม่ได้สร้างใครไม่ได้ทําให้เกิดแต่มักทําให้ถึงเราก็หลักตรงนี้นะฮะถ้าพูดถึงวันในในเชิงการ เอาข้อคิดมุมปฏิบัติว่าอะไรอะไรในโลกเนี่ยให้บางอย่างเนี่ยเราอาจจะสับสนไว้ของบางอย่างเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมาเองนะฮะไม่ใช่ช่วยโอกาสชุกเมือเปิดต้องสร้างเราก็ต้องพยายามสร้างของบางอย่างนั้นเราสร้างไม่ได้เราต้องหาปฏิปทาเพื่อให้บรรลุ ค, ความสาเร็จอย่างตัวเราเนี่ยคุณสมบัติคุณความดีในตัวเราความสุขความทุกข์ในตัวเราเราสร้าง หรือเราฉวยโอกาสเราเลือกที่จะถึงเอาเราเป็นคนสร้างใช่ไหมสุขและทุกข์ในตัวเราเนี้ยเราเป็นคนสร้างนี่โดยหลักเราจะเห็น เ, เหตุแค่ไหนก็ตามลึกแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเราจับแล้วว่าเราเป็นคนสร้างไม่ใช่ว่าเราไปเลือกโฉบฉวยเอาโฉบฉวยเอาว่าเราอยากได้อย่างนี้ก็โฉบฉวยเอา่อด้วยอุบายด้วยเลขเพทูบายต่าง ๆ, างๆการกระทําอย่างนั้นจะไม่ทําให้บุคคล ได้ความสำเร็จในสิ่งนั้นอีกแง่หนึ่งเดี๋ยวก่อนจะพูนถึงแง่ที่สามเนี่ยมีข้อความท้ายบรรทัดของข้อสองเมื่อกีว่าทำทั้งปวงมีพระพุทธเจ้าเป็นมูลเขาเอ้ตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าเราเคย อ, อาจจะสงสัยไม่คิดก็ไม่สงสัยว่าครูเจ้าเนี่ยบางครั้งก็ทรงตรัสว่าทำรรมาธาตุรรมธิีตีทำมาณยามเป็นของมีอยู่แล้วเราเป็นผู้คนพบมัก แปดก็เป็นของมีอยู่แล้วเราเป็นผู้คนพบเหมือนบุคคลที่เข้าไปสู่ป่าไปพบทางเข้าไปสู่นครเก่านครเก่ามณิบาลมากแปดเหมือนฐานแล้วก็ทรงไปทางไปยำล่าทางชักชวนอมัมมัดชักชวนพระราชาเข้าไปสู่เมืองเมืองร้างนะั้นพระเจ้าเป็นผู้คนพบไม่ได้เป็นผู้สร้างใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นลัทีิฝ่ายเทวานิยมเนี่ยทุกอย่างพระเจ้าสร้างหมด ยุงก็พระเจ้าสร้างไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่ได้สร้างชะตาชีวิตคนพระเจ้าก็เป็นผู้ลิขิตสร้างใหเรามีตามีโรคอย่างนี้ก็พระเจ้าสร้างหมดเลยไม่มีเหลือเลยแล้วส่วนพระเจ้าองค์ไหนจะสร้างนะ่ะแขกก็ยังจะรอบมาไม่เสร็จไม่ต้องออกนอกอินเดียทีนี้พูดถึงว่าในบางแห่งเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทรงตรัสว่าเราเป็นธรรมม์สามี แปลว่าเจ้าของทำเวลาพระพุทธเจ้าทรงตั้งกเิตุกรรมยตาปุจฉาธรรมะบางเรื่องที่ทรงอธิบายและทรงถามพิสูว่าดูกรพิสูงหลายเชื่อสําคัญว่าอย่างไรแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่พิสูตตอบไม่ได้พิส็จะกราบทูลว่าทําทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลเป็นเหตุมีพระผู้มีพระภาคเป็นเจ้าของเขาพูดอย่างนี้มาว่า อธิบายเองดีกว่าอย่าถามเลยจำนองนี้นะฮะมีพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมะมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งคือตัวธรรมะมีพทะเจ้าเป็นที่พึ่งนะข้อความตรงนี้นเหมือนจะขัดกับข้อความเมื่อกี้เพราะถามว่าพุทธพจน์ิขัดที่มาบอกไม่ได้ขัดคนละแน่แง่ที่ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างธรรมะเนี่ยแง่เหตุผลข้อหนึ่งธรรมะเกิดจากเหตุจากปัจจัยของธรรมะเอ ง, งพุทธเจ้าไม่ได้สร้างพระเจ้าไม่ใช่พระผู้เปเจ้า แต่ว่าพุทธพจน์ที่สองอ่อเป็นธรรมมสามีเป็นธรรมะปฏิสณะเป็นที่พึ่งของธรรมธรรมะมีเจ้าเป็นข้าวมูลข้อนี้หมายถึงว่าพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงเป็นผู้ค้นพบเป็นผู้แสดงปฏิบัตให้คนถึงผู้เงาพุทธเจ้าเป็นเหตุให้ถึงเหตุในฐานะเป็นครูนะเป็นกัลยาณมิตรถ้าไม่มีพุทธเจ้าแล้ว เราก็ถึงอริยสัจสีไม่ได้ท่านก็บอกอย่างนั้นที่เราถึงอริยสัจสีได้เนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้ถึงเหตุชั้นแรกนะกัลยาณมิตรเนี่ยทรงสแสดงธรรมและเราก็เอาธรรมมาปฏิบัติจนกระทั่งเราได้มรรคได้ผลในตัวเราเองเพราะเหตุถึงธรรมะเนี่ยมันมีหลายเหตุอันไหนหลักอันไหนรองนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งใบในายนอกเหมือนกับเหตุอื่นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้น ตรงนี้จึงไม่ได้ขัดกันอันนี้แง่ที่สามเหตุให้เรียกผลเหตุเรียกนานหนึ่งทีนี้ยกตัวอย่างว่าเช่นเรียกว่าพระอริยะเพราะเป็นผู้บรรลุอริยธรรมพระอริยนางวิสาขาเป็นพระอริยะเช่นผมก็เป็นโสดาเนะีเวลาบัญญัติเรียกว่าอริยะเนี่ยปลายเล็บก็เป็นพระอริยะใช่ไม่ใช่นี่คือพระอริยะเป็นทั้งตัว เวลาเวลาบัญญัตินะฮะแต่ ว, ว่าโดยคุณภาพคิดเนะี่ยมันก็มีต้นต่ออยู่เหมือนเราเรียกคนขี้อิจฉาเนี่ยเราก็เรียกทั้งตัวทีนี้ผมถามว่าเราเรียกคนขี้อิจฉาหรือขี้มักโกรธว่าคนนี้คนขี้โกรธเราชี้ไปทั้งตัวเลยถามว่าความโกรธนั้นเป็นเหตุให้ผมบนหัวเกิดหรือเป็นเหตุให้เล็บยาวหรือเป็นเหตุให้ฟันเป็นอย่างนั้นหรือไม่ใช่ เราอาศัยกิเลสเป็นเหตุเรียกเรียกเจ้าของกิเลสตัวนี้ว่าเป็นคนขี้โกรธคนบรรลุมรรคผลนิพพานนิพพานก็ไม่ได้มาสร้างเนื้อสร้างตัวผมคนเล็บฟันหนังเนื้อแก่คนนั้นแต่ก็เอานิพพานซึ่งเป็นอริยธรรมอันหนึ่งมาเป็นเหตุเรียกว่านี่เป็นอริยโสดานี่เป็นผู้ยืนชิดประตูนิพพาน อย่างที่เราได้ยินในพระสูตรนี่เป็นอย่างโน้น อ, อย่างนี้นี่เป็นเหตุเรียกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องแยกให้ชัดว่าเขากล่าวอย่างเป็นเหตุเรียกหรืออย่างเป็นเหตุถึงหรืออย่างเป็นเหตุเกิดถ้าสะแต่ว่าเรียกเรียกเนี่ยมันก็ไม่ได้สิ่งนั้นใช่ไหมฮะมันต้องได้เหตุเกิดต่อไปกระบวนการของเหตุผลหนึ่ง ในตัวของเหตุผลสภาวธรรมที่เป็นเหตุผลกันสองในการหาเหตุผลบุคคลผู้หาข้อเท็จจริงในสภาวธรรมหรือจากการที่เหตุกันให้เหตุผลของผู้อื่นด้วยอายตนะหกแล้วก็สาในการให้เหตุผลบุคคลผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ตนค้นพบแก่ผู้อื่นด้วยกายวาจาตรงนี้ ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่บางทีมันมั น, มนทับทับกันนะถ้าเราไม่แยกให้ชัดเราก็อาจจะจะเรียกว่าสับสนอย่างในตัวที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อแท้นะในตัวของเหตุผลเนี่ยสภาวธรรมที่เป็นเหตุผลกันใครจะรู้หรือไม่รู้เขาก็เป็นเหตุผลของเขาถูกไม่ถูกใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะเข้าใจผิดสําคัญว่าผลอันนี้เกิดจากเหตุอันโน้นเพิ่งไม่ใช่จริง เหตุผลเขาก็ไม่ผิดไปด้วยถูกมะเช่นเช่นชาวโลกเข้าใจว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดสุขพระพุทธเจ้าว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดสุขความจริงก็เป็นอย่างพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่าเพราะฉะนั้นตัวเหตุผลก็คือตัวเหตุผลและคนที่จะเข้าถึงเรียนรู้เหตุผลเนี่ยถึงต้องต้อง ต้องดูนันนี้ว่าความเข้าใจของเราในอันหนึ่งตัวเหตุผลอันหนึ่งทํายังไงดีจะทําให้ความเข้าใจเรามันตรงกับความเป็นจริงถ้าไม่เข้าถ้าเข้าใจไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วมันก็เสียประโยชน์อย่างอื่นไปหมดเพราะฉะนั้นในข้อดีสองการหาเหตุผลการหาเหตุผลจะหมายถึงนําเอาความเข้าใจของเราเข้าไปดูความเชื่อมต่อกันระหว่างเหตุกับตัวเหตุผลไม่มีอะไรผิดถูกร้อยเปอร์เซ็นต แต่ความเข้าใจเหตุผลของบุคคลการหนาเหตุผลของบุคคลนั้นผิดได้ใช่ไหมถูกได้ผิดได้ถ้าเหมือนกับธรรมะเนี่ยเราเราผู้ยี้ไงวะลองบอกคนอ่านพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันจะบัตเดียวกันแต่ทําไมเข้าใจเหตุผลของธรรมะไม่เหมือนกันพระไตรปิฎกผิดหรือความเข้าใจคนผิดคนถูกความเข้าใจคนผิดถูกและเรื่องนี้นะเราไม่ว่าใครเลยเราเองก็เหมือนกับใครใคร คือพุทธเจ้าสอนให้มีผลเราเองเนี่ยบางอย่างเราก็พอชาเหตุผลบางอย่างนะจับเหตุจับผลถูกพอควรและเหตุผลอีกหลายๆอย่างก็กำลังอมผิดอมถูกเหตุผลหลายๆอย่างเราก็ยังเข้าใจผิดยังไม่เห็นด้วยเป็นไปได้นะเป็นไปได้ก็อาจจะต่างาบางบางเรื่องเป็นเรื่องสำคัญอย่างสมมติว่าคนอ่านพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจว่ากรรมไม่มีตายแล้วไม่เกิดถ้าถามเราเนี่ยเราเข้าใจว่า ความเข้าใจอย่างนี้ผิดหรือถูกแล้วทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันเราไหมเข้าใจเหมือนกับเราบางคนก็ก็ว่าเ อ, อตัวผู้เจ้าไม่ได้ต่ออย่างนี้มีความหมายเป็นอย่างอื่นเรื่องนี้ก็สิทธิที่แต่ละคนจะพิจารณาศึกษาคิดเอาเพราะฉะนั้นในการหาเหตุผลเนี่ยที่จริงมันมีหลักพระพุทธเจ้าเองสอนหลักในการเรียนรู้ธรรมะหาเหตุผลเอาไว้เป็นอันมากว่ า, าตั้งแต่ว่าทําไมาคนถึงเข้าใจเหตุผลผิด อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำไมคนเข้าใจเหตุผลถูกอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเละอย่างที่ผงเคยว่าบางคนเนี่ยเรียกว่ามีลักษณะความเข้าถึงเหตุผลเนี่ยมันปัญญามันมันรู้เกินกว่าข้อมูลเข้าใจปะ่ะคนบางคนมีภูมิปัญญาเกินข้อมูลบางคนเนี่ยมีภูมิปัญญาแม้ข้อมูลนิดเดียวได้ภูมิปัญญาเยอะ แค่เห็นรอยเทางนิดเดียวรู้เลยว่าเจ้าของรอยเท้าเป็นยังไงเข้ามาทําไมเข้ามานานแล้วแค่ไหนการอาวิชาสืบสวนสอบสวอ น, นี้ก็ก็มีนะไออย่างนี้เขาเรียกว่าเหตุผลนิดเดียวร่องรอยนิดเดียวแล้วมันเพราะไอเหตุผลมันมันมีเขาเรียกว่ามีระบบสภาค่าตรวนี้เราคงเอามาพูดกันไม่ไม่ได้หรอกครับระบบสภาค่าเนี่ยหมายาว่าไอเหตุผลนี่มันเกี่ยวกันนะมันคล้ายๆปฏิจจาแหละแต่ปฏิจจานะพูดในมุมหนึ่ง กระแสหนึ่งแล้วก็พูดไล่ไปไปเป็นสายเดียวแต่ว่าถ้าในระบบของปัฐานนี่ก็สภาค่าเนหมายว่าแล้วจัดเหตุผลอันนี้ได้เนี่ยมันจะมีจุดต่อมันเพราะเหตุมันก็ ม, มันก็มีฐานะเป็นผลของเหตุอื่นนี่บางคนะไปจัดเหตุตรงนี้นิดเดียวไอเหตุอื่นมันตุกต่อกันเป็นระบบออกมาเลยกินลึกเข้าไปดเูเหตุเก่าๆๆๆเนี่ยเราเราที่มันก็พูดที่เขาดูหมอดูเลยนะ ดใูให้ได้ร่องรอยนิดเดียวเขาไปเป็นตู่เป็นตากันแกันตูต่ตานี่ผมไม่ได้หมายถึงหมอดูหมอเดานะหมอดูจริงๆอะ่ะเป็นตู่รป็นตา้เออ็เก่งจริงอะ่ะพวกนี้นะเก่งมากมันคนที่มีความสามารถทางเหตุปัจจัยเป็นวิเศษอย่างในทางพูดพระสงฆ์องค์เจ้าของเราโดยเฉพาะสมัยวุฒการเนี่ยนะท่านเก่งเรื่องพวกนี้จับระบบสภาคะของเหตุปัจจัยได้ แล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าคนนี้มันทําอย่างนี้อดีตมาเพราะอะไรเมื่อมาทําอย่างนี้ปัจจุบันเพราะอะไรทําอย่างนี้แล้วมันไอเหตุปัจจัยผลที่เกิดใจมันจะบังคับคนนี้ให้เกิดทิเลนอันนี้เพราะคนนี้นะมีไอแนวโน้มทางปัจจัยตัว น, นี้จ้องจะเกิดตรงนี้อยู่แล้วพอได้ผลอันนี้จะจะเกิดพฤติรกรรมอย่างนี้เกิดพฤติกรรมอย่างนี้และะ้วจะวิบวิบากผลต่อไปอย่างนี้มองอนาคตอธิบายเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ด้วยพูดแล้วมันเหลือ เหลือกำลังที่เราจะมองเห็นได้แต่นี้คือการระอาการอย่างรู้ในพระพุทธศาสนาทีนี้พูดถึงเรื่องการให้เหตุผลในข้อที่หนึ่งนะเป็นตัวธรรมชาติข้อที่สองมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งคนคนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติหนึ่งคนต่อไปข้อที่สามเนี่ยบุคคลที่สองเข้ามาเกี่ยวข้องอีกจึงเกิดการให้เหตุผล แสดงเหตุปัจจัยเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเนี่ยครับทรงยืนอยู่ในฐานะที่สามแสดงธรรมคือตัวหลักเหตุผลแก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งทีนี้การแสดงเหตุผลแก่บุคคลอื่นเนี่ยก็จะพากันไปหาตัวเหตุผลนั่นแหละครับเงื่อนไขเหตุปัจจัยตัวแปรก็เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นคือว่า คนแสดงคนให้เหตุผลนาแค่ไหนแล้วคนที่จะรับเหตุผลนาแค่ไหนบางทีถึงเกิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ประมาไว้เองเรามาใช้ในภาษาไทยว่าตาบอดคลําช้างก็มีนะฮะเป็นการให้เหตุผลที่ผู้ให้เหตุผลเองก็ไม่ได้ข้อมูลไม่เข้าถึงเหตุผลที่ดีพอมาแสดงเหตุผลเข้าก็เลยกลายเป็น ตาบอดคมช้างเป็นอะไรล่ะคล่อมอุ้มคร่อมไปลักษณะอย่างนั้นเชื่อคนตาบอดจูงคนตาบอดเวลาเราให้เหตุผลก็ด้วยกายวาจาเวลาเราหาเหตุผลเราก็ใช้อายตนะทั้งหมดแล้วครับตาหูจมูกลิ้นกายหาเหตุผลเข้าถึงเหตุผลต่างๆนี่เป็นกระบวนการเียงังยังหลัก ต่อไปการวัดคุณค่าของเหตุผลอ น, นี้เราก็จะเห็นว่าหลักทางศาสนาเนี่ยกลมเลือเกินนะทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงเนี่ยแสดงอย่างลัดกลุ่มอย่างมุ่งประโยชน์ในทางการเข้าถึงของผู้เรียนรู้ทางนี้อย่างแท้จริงแต่ น, นี้ก็ว่าในตัวของเหตุผลเป็นของจริงแท้ทุกเมื่อแต่ในการนาเหตุผลในการให้เหตุผลอาจถูกหรืออาจผิดได้ ตังนี้เพราะเกิดยานัศนะที่ผิดพลาดในการหาเหตุผลเช่นที่ทรงวิจารณ์พวกเดลัจีไว้ในปรมาชาลสูตรไอ้ตรงนี้แหละครับเราจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานในการหาเหตุผลไอ้สิ่งที่เราเอามาเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือไอ้เครื่องมือนะในการหาเหตุผลก็ตาหูจมูกของเรานี่แหละครับอยายตนะหูของเราแล้วก็ในเบื้องสูงก็คื อ, อยานัทสนะ ที่เราอย่างเห็นและในข้อนี้นะ่ะผมถึงว่าเราเอาที่ว่าเนี่ยก็คือว่าจากข้อสังเกตที่เห็นจริงแล้วแสดงไว้ชัดเจนมากแข็งแล้วนะพระเจ้าอิโดกว่าไอเครื่องมือรับรู้เหตุผลของเราเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้เช่นเป็นส่วนใหญ่ตาที่เราเห็นเนี่ยเรานึกหรือว่าสิ่งที่เราเห็นมันจะต้องจริงหูที่เราฟังจมูกที่เราดมเนี่ย ตัวแปรมันเยอะเหลือเกินครับแต่เราแบ่งไอ้อายัตนะที่เป็นเครื่องรับรนะู้ม่นมีอยู่สองส่วนใหญ่ที่เราจะพิจารณาไว้นะคือหนึ่งอายุตนะการรับรู้ด้วยรับรู้ธรรมดาอีกอย่างหนึ่งการรับรู้ด้วยยานทัศนวิเศษหมายถึงภาวนาการทำภาวนาทางจิตภาษาของท่านท่านเลือกเป็นอย่างสั้นว่าการรับรู้ทาง ภาษาสัมผัสทางตักกะทางความนึกคิดนาจากไอ้ข้อมูลทางรำพัดกับยาศทศนะถามว่าสองอย่างเนี่ยอันไหนมีส่วนผิดมากกว่ากันมันเรื่องหน้าหน้าแปลกจริงจรงศึกษาก็ยิ่งเห็นความไม่น่าไว้วางใจยังในการปฏิบัติธรรมเนี่ยแปลกไหมฮะผมนะแปลกยังไม่ยอมเลิกว่า คนปฏิบัติธรรมอ่านหลักปฏิบัติธรรมมาได้กันนี้ทําไมถึงเห็นไม่เหมือนกันนี่แปลจริงๆเหนนะพูดถึงว่าคนปฏิบัติธรรมเอาเป็นว่าถ้าเราไม่พูดนะว่าจะต้องไปสากหนาพูดปกหลับห ล, ลับตาลรือตามด้วยวิธีใดๆะครับทำไมถึงไปเห็นได้นับไม่ถ้วนเลยอะไรเป็นตัวทําให้การอย่างรู้แตกต่างกันไปแล้วคนที่ไปอย่างรู้เนี่ยพอไปรู้เขาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างชนิดที่เรียกว่า ไม่เราแวงตัวเองอะนะและเหตุผลที่สนับสนุนตัวเองก็คือว่าแม้ไอ้ตาเห็นจมูกได้ยินนี่มันเชื่อถือไม่ได้เลยให้เรามาเห็นอย่างนี้นมันของจริงเห็นด้วยความพยายามด้วยความยากลําบากแล้วคันมาเข้าถึงแล้วก็คนที่อยู่ระดับตาหูจหมูกนี่เขาก็มานับถือยอมรับเพราะเขาไม่เห็นอย่างเราแล้วก็บางทีก็เอาไอ้การเห็ดเนี่ยไปเที่ยวอ้างเพื่อสรุปข้อเจตจริงว่า เราเห็นอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้ไอข้ออ้างอย่างนี้นะในโภมาชาลสาูนอ้างกันทุกคนเลยโภเดลตีนะไปเห็นอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วมันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้อย่างไงเพราะฉะนั้นผมให้ข้อสรุปปันหนึ่งว่าอาหูจมูกเราเนี่ยเวลามันเห็นอะไรแล้วเนี่ยความผิดเพี้ยนมันจํากัดครับความผิดเพี้ยนมันจํากัด แต่ทางมโนถวานเนี่ยเวลาเห็นผิดเพี้ยนแล้วมันไม่จํากัดกิเลสเกิดทางนี้ก็ไม่จํากัดมโนทัศน์มโนภาพไม่จํากัดและยิ่งไปปฏิบัติเห็นเนี่ยเห็นแล้วก็มันมีไอ้เงื่อนงำในนั้นการตีความหมายนั้นยิ่งไม่จํากัดเรานะ่ยอยากจะว่าเพราะคนหลับตาแล้วมันน่าจะแหมเห็นเข้ามาในกรอบเดียวกันนี้นะเอ้มันไม่ในวิสุที่มกักคบอกว่าแค่กําหนดลงไม้จ่ายเข้าออกเนี่ยยังเห็นเป็นสิบสิบอย่างเลยอะ มองคนเห็นเป็นทิวขาวมองคนเห็นเป็นละอองเพชรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งลูกดอกไม้อะไรก็ไดาษเห็นด้วยตาสองตาเท่ากัน เวลาเห็นก็เห็นเหมือนกันแต่อธิบายในใจลสนิยมในใจการตีค่าในใจเป็ น, น, นเอเนกใช่นะไม่รู้จบเวลาหนึ่งก็อย่างหนึ่งในคนเดียวเนี่ยตามเวลาก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งมันกลายเป็นอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะว่าทางประษาทสัมผัสกับทางใจเนี่ยทางใจเนี่ยเป็นชี่ชุมของเหตุปัจจัยมากกว่ากระแสเหตุปัจจัยทั้งผิดทั้งถูกเนี่ยเข้าทางนั้นได้มากกว่าจะเอาถูกกันอย่างบริสุทธิก็ได้ด้วยทางนั้นผิดอย่างเหลือเชื่อ ใจมันก็ทําให้ผิดอย่างเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ด้วยก็คือเรียนรู้แล้วทําให้ไว้ใจตัวเองน้อยลงเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วไม่แย่หรือเนี่ยมีแต่เขาจะเสะเพิ่มความมั่นใจส่งเสริมความเชื่อมั่นในตัวเองผมก็ต่อบว่านี่ครับคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมีสองประเภทคนไม่ไว้ใจตัวเองก็มีสองประเภทผมแม่อธิบายเดี๋ยวจะง่ายไป ไปคิดเอาเองนะน่าเกลียดแม่้หพิงแต่แดงว่าไม่นาเกลียดใชหให้อธิบายเลยคนระับคนที่เชื่อมั่นในตัวเองด้วยตัณหามานาทิฏฐิใช้ได้ไนหะได้หรยอเชื่อมั่นในตัวเองยังไม่มีข้อมูลอะไรไม่ฟังเสียงใครเลยใช้ไม่ได้อีกคนหนึ่งเขาเชื่อมั่นในตัวเองด้วยเหตุผลข้อมูลที่ชัดเจนใช้ได้ที่ที่คนไม่เราแวงตัวเองไม่ไว้ใจตัวเอง อย่างคนที่ไม่เชื่อมัน่นอย่างคนขี้ขาดกลัวโรคจิตใช้ได้ไหมเขาเอาแบงค์ห้าร้อยไม้ใบก็อาไปนอนไม่หลับนี่สงสัยจะแบงค์เกนเนี่ย <c oughs> ส่องแล้วส่งอีกใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้เราแวงไปหมดมาแรงวันจับหน้าผ่าก็กลัวจะเป็นเอวอยู่ห่ะ <c oughs> ออกบูร์แล้วพอกบูร์อีกไปบาด ท, ทีก็กลัวปลาเกอย่างนี่มันกลายเป็นโรคจิตแต่คนที่เขาระแวงตัวเอง อย่างนี้ที่ถูกต้องคืออะไรที่มีเหตุผลแล้วก็สมาทานรับเอาแปลว่าเป็นภูมิปัญญาที่ย่อยแล้วอะไรที่ยังไม่ได้เข้าเครื่องย่อยเข้าเครื่องโมยยังไม่ได้กลั่นกลองก็เก็บไว้อย่างในฐานะที่เราจะไปตะกุมตะกรรมงสมาทานรับเอาไม่ได้แล้วตัวเราเองเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงว่าอย่งสมมติเวลานี้เรายังเป็นปุตุนชน ภูมิปัญญาเราก็เท่าที่เรามีอยู่กิเลสเราก็เท่าที่เรามีอยู่ความโง่เขลาก็เท่าที่เท่าที่เรามีอยู่เราก็ไม่ไว้ใจตัวเองความคิดไม่ไว้ใจตัวเองเป็นความสํารวมเราวางด้วยกุศลใช่ไหมเหมือนกับเวลาที่หรือผู้ปฏิบัติธรรมที่สํมรวมทำไมพระจะต้องสํารวมด้วย เราจะบอกพระที้ขาดเละจะไปไหนก็ค่อยก้มค่อยสมัมลุมจะทํากรรมฐานก็ต้องไปหาที่ะระบายะขี้ขาดใช่ไหมจะบริโภคจะฉันก็ต้องมีสติระวังขี้ขาดใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าสังวรสังวรด้วยกุศลที่สังวรเพราะรู้ว่าเราจําเป็นต้องสังวรเนื่องจากกิเลสเรามี นะแต่คนที่ไม่ระวังทั้งที่ตัวเองกิเลสมีและไม่ระวังด้วยความประมาทนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็หมายกาว่าคนพวกหนึ่งพัฒนาตัวไม่ได้เข้าถึงความจริงไม่ได้ด้วยวิธีการนั้นด้วยความรู้สึกนั้นอีกคนหนึ่งเข้าถึงได้พัฒนาตัวเองได้ด้วยความรู้สึกนึกคิดด้วยวิธีการอย่างนั้นทีนี้ในหลักสอง ไอ้หลักแรกเนี่ยเ ป, เป็นเรื่องของภาวนาธรรมยานทัสนะที่เกิดจากภาวนาธรรมที่พุธศาสนาไม่ถือว่าเป็นสิ่งไว้ใจได้ไปหมดมันมีที่ไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นตลยนะฮะคือมรรคผลถ้าตำกว่ามรรคผลแล้วไว้ใจไม่ได้ในที่ทุรสานในการดูจเมื่อจะมีว่าไว้ใจได้บางส่วนไม่ได้บางส่วนหมดว่า เราได้วิปัสนาญาณที่สามแล้วไว้ใจได้ไหมกลัวอะไรกลัววิ ป, ปัสนูปุกิเลสใช่ไหมแล้วก็มีบางคนเนี่ยเป็นโสดาบันแล้วอย่างท่านมหมานามะออกมาปัจเจเวกตอนปัจเจเวกนะจิตออกนอกวิปัสนาญาณมาแล้วมาคิดนึกถึงคุณสมบาตตัวเองแล้วยังเข้าใจผิดเขาเรียกว่าตัวเองเป็นแค่โสดาเนึกว่าเป็นอาาคา พอเกิดไอ้กิเลสที่โสดาล่าไม่ได้ก็นึกสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีกิเลสนี้อยู่ไปทัศนูนถามพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าท่านสําคัญท่านนเป็นโสดาแต่สําคัญว่าเป็นอนาคาจึงเข้าใจว่าละกิเลสคือโทสะละได้นี่แท้ที่จริงท่านอย่างล้ะไม่ได้ว่าท่านเป็นแค่โสดาเท่านั้น มีหลักฐานในพระไตรปิฎกเลยนะในพระสูตรในข้อที่สองเนี่ยที่บอกว่าเกิดจากขาดโยนิโสนาิกาในระดับของการฟังการระดับกับฟังอย่างที่ท่าสอนกาลมาสูตรแก่ชาวกาลามะและการรับรู้รับเห็นด้วยตาหูจมูกเนี่ยครับที่เราพยายามใช้เป็นเกณฑ์ในการเข้าถึงความจริงว่าข้อเท็จจริงอะไรเป็นอย่างไร อ, อันนั้นก็เป็น เป็นหลักทั่วไปคราวนี้พลิกไปดูหน้าสามนี่จะเข้าสู่แยกแยะปัจจัยยี่สิบสี่ในเชิงอาการของเหตุปัจจัยในแง่มุมต่างๆว่าปัจจัยยี่สสี่ที่อธิบายในเชิงต่างๆในหลักใหญ่ๆนี่นะครับจะอยู่ในความเป็นหลักเหตุปัจจัยอย่างนี้สามประเด็นนี้เท่านั้นที่ขึ้นหัวข้อวันหลัก ปัจใจธรรมคือหลักของธรรมที่เป็นปัจจัยคือหลักของปัจจัยี่สี่นะครับที่กล่าวถึงในประเด็นย่อยแรกว่าธรรมที่เป็นปัจจัยข้อหนึ่งธรรมทั้งหมดเป็นปัจจัยได้ทั้งสิ้นคือรูปธรรมนามธรรมาล้วนมีอำนาจที่จะก่อผลอย่างใดใดไ ด, ได้นี่เป็นข้อสรุปที่หนึ่ง สภาวะธรรมหรือธรรมชาติในโลกนี่มันมีนับไม่ัวนะใช่ไหมก้อนหินก้อนดินลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะธรรมเป็นสังกตธรรมทั้งนั้นดวงจิตของเราดวงจิตของใครเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นถ้าพูดแบบพระอภิธรรมก็บอกว่าจิตแปดสิบเก้าเจตสิกห้าสิบสองรูปสี่สิบแปดพละนนิพพานและ แม้แต่บัญญัติบัญญัติอาจจะไม่พูดถึงก็ได้สิ่งสมมุติอพูดถึงเฉพาะสภาวธรรมที่เป็นปรมาจา์เป็นของจริงที่หมุนวนในสังวรวัฏเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเหตุได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรไม่เป็นเหตุลองยกขึ้นมาตัว อ, อย่างก็ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทำทุกอย่างที่เราทําเป็นเหตุให้เกิดวิบากได้ความรู้สึกนึกคิดของเรานิดหนึ่ง ก็เป็นเหตุได้ทุกอย่างเป็นเหตุได้หมดนิพพานก็เป็นเหตุเป็นเหตุให้มรคฆิเลตเป็นอารมณ์ของมรคเป็นอารมณ์ของผลเป็นเหตุให้พระอรหันต์เสวยความสุขเมื่อเข้าผลสมาบัติเสวยวิมุตติสุขนั้นไม่มีอะไรไม่เป็นเหตุพูดเป็นภาษารู้ๆหน่อยก็เรียกว่าพลังงานเนี่ย มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างพลังในมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของเล็กขนาดไหนไม่ว่าของนั้นจะเป็นของหยาบเช่นก้อนหินก้อนดินไม่ว่าของนั้นจะเป็นของละเอียดเช่นแสงเช่นเสียงมีพลังนะมมีหมดและพลังในสิ่งทั้งหลายทั้งวงเนี่ยมันมีหลายรูปแบบของบางอย่างก็มีพลังเยอะพลังเยอะมาว่าเป็นปัจจัยได้หลายปัจจัยของบางอย่างก็มีพลังน้อย เป็นปัจจัยได้บางปัจจัยแล้วถ้าถามว่าอะไรเป็นขุมพลังใหญ่ที่สุดมีอำน า, ม า, มาบบจมากที่สุดพลังครบั่วนอะไรมากที่สุดรูปพลังโดยรูปแบบของปัจัยมากที่สุดเอาลองเดาเลยครับคืออะไรดวงอาทิตย์เลยดวงจันทนระ์เลยบนนะ่้น้ํามันเลยเครื่องคอมพิวเตอร์เลยดาวหางเลยดาวมฤตยูเนะลยอะไรรู้สึกว่าเจียมเนื้อยเจียมตัวทองตัวเยอะอะไรรู้ไหมจิ นี่เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะมองไม่เห็นตัวนะแต่มีพลังมากที่สุดพลงังทั้งที่เราเห็นได้อะไรอะไรที่สร้างมันเต็มโลกนี่มันมันมาจากไหน อ, อย่างไอ้คอมพิวเตอร์นี่มันมาจากไหนเราก็กินดูนะใครเป็นคนทําให้เกิดขึ้น เ, เรื่องสร้างโน้นสร้างนี้เป็นพลังธรรมดายัางมีพลังลึกลับอย่างอื่นดีเยอะแต่พลังที่ไม่น่าตื่นเต้นที่สุดแต่ดีที่สุดก็คือพลังอะไรรู้ไหมพลังสมุดเฉททหาร แปลว่าพลังฆ่ากิเลสอย่างเด็ดขาดนี่เป็นพลังหนึ่งที่พระเจ้าทรงคนพบแต้พลังอันนี้มันมันจะอยู่อยู่จะเกิดขึ้นได้ไง่ายๆมันก็ไม่ได้มันต้องมีวิธีใช่ไหมอะไรอะไรไมันต้องมีวิธีต่นะ้งๆพูดถึงไอ้วิธีวิธีเนี่ยนะไอของบางอย่างเนี่ยไม่รู้วิธีเนี่ยมันการยากจริงๆนะแต่พอรู้วิธีแล้วทําไมมันง่ายก็ไม่รู้นะทุกอย่างเลยรู้วิธีแล้วง่ายไอที่เราคนคนคือค้นวิธีทำยังไงจันทรแหละ รู้วิธียังไงไออย่างของเราเนี่ยเราบรรลุยานบรรลุอะไรก็ไม่ได้เนี่ยไม่รู้วิธีนะไอวิธีนี่ไม่ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่จะต้องหมายว่าไอวิธีทากรรมาฐานแบบไหนหรอกไอนั้นอันหนึ่งยังไม่ไม่ใหญ่โตมากนะอะไรที่มันอยู่ในเงื่อนไขเหตุปัจจัยในตัวเราเนี่ยแหมเรามีของตัวเรายังไม่รู้วิธีวิธีที่ดีคือจะต้องสอดกรองและเงื่อนไขปัจจัย ใช่ไหมเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขของปัจจัยอย่างดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดอ่าก็ตกลงว่านี่มีข้อหนึ่งทุกอย่างมีอํานาจหมดอํานาจในมุมไหนอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้าถามว่าใช่อย่างนั้นเรามีวิธีทอนอานาจมันบ้างไหมถอนพลังมันบ้างบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบว่ามีเหมืึงค่ะถอนหมายถึงทอนที่ไม่ให้มันมีพลังกับเราเออพงยุกตัวอย่างอย่างนี้ เสียงด่าเสียงชมเนี่ยมีอำนาจต่อจิตใจเราไหมโลกกระทำแปดมีอำนาจต่อจิตใจเราไหมมีแล้ว ม, ม, ลมีอำนาจตอบละอารหันต์ไม่ไหมพระอรหันต์ไปทำให้เสียงด่าคนเป็นอะไรไปหรือไปทำให้ลาบเป็นอะไรไปหรือไม่ได้ทำอะไรเลยทำให้มันหมดอำนาจด้วยการทำที่ตัวเอง น ะ, ะมันเหมือก็กระสุนยิงมาเงี้ยกระสุนมัมีอำนาจเจาะทะลวงแต่ว่ายิงโดนคนหนังเหนียวเข่ามันก็ไม่ทําอะไรได้หมดอำนาจนั่นเทียบให้สั้นต่อไปห ล, หลักที่สองสังฆตธรรมทั้งหมดเกิดจากปัจจัยทั้งสิ้นคือเพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยปลุกแต่งจึงชื่อว่าสังฆตาอันนี้ก็ในแง่ของปัจัยเนี่ยือ ศาสนาพูดก็แบ่งสภาพธรรมเป็นสองอย่างหนึ่งเรียกว่าสังคตะาคืออะไรนิพานนิพานนั้นไม่มีใครสร้างใครปรุงแต่นิพานเป็นปัจจัยได้แต่ไม่ได้ถูกปัจจัยอะไรไปทําได้นิพานจึงเป็นนามตะส่วนที่เหลือนอกนั้นเป็นสังคตะทั้งนั้นถูกปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วไม่มีอะไรไม่ถูกปรุงแต่งเราหวีผม ลุงแต่งวรืปล่าลุงเตื้อผ้าที่เรานุ่งห่มก็ปรุงแต่งเมื่อมันถูกปรุงแต่งในเหตุปัจจัยมันไม่เที่ยงสิ่งที่ปัจจัยมันสร้างมันก็ไม่เที่ยงไปด้วยเพราะนั้นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นสังกตาธรรมเท่านั้นผมก็ถามว่ามรคลเป็นสัง يم, กตธรรมไหมมรขจิตมรขยานบิรยานเป็นฌานเป็นสังกตาธรรมไหมเป็นที่เรารู้ว่าเป็นเพราะเกิดจากเหตุ จ, จากปัจจัยปรุงแต่งนะพอถ้าเป็นฌานในฌานแตกได้ดับได้ไอแล้วมรแตกไม่ มักคนบนรรลุโสดาบฏิมาคและเสื่อมจากความเป็นโสดาคนบนรรลุเป็นล่าะล้านและเสื่อมจากความเป็นร้านได้ไหมเสื่อมได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้นะ่า จ, จะเป็นอสังขตะถ้าทําไมถึงเป็นอสังขตะทําไมถึงถูกปรุงแต่งปรุงแต่งทําให้บรรลุอั้นเพราะสิ่งใดที่ถูกปรุงแต่งสิ่งนั้นแตกทําลายได้ไอการแตกทําลายของฌานเนี่ยแตกทําลายสองอย่างหนึ่งฌานจิตเกิดแล้วก็ดับ ทุกอย่างมันเกิดดับอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ความเกิดดับของมันเนี่ยมันมีอํานาจอันหนึ่งอํานาจของฌานคืออํานาจข่มกิเลสอํานาจมันแตกทาลายได้นะแต่มรรคผลเนี่ยเอาเป็นว่าอาราธมรคพอบรรลุอาราธมรอายานแล้วก็ดับแตกทาลายแต่อาราตมรคขยานนั้นพลังมันไม่แตกทาลายเราเทียบเหมือนอย่างนี้ครับเหมือนกับราที่ทำปลูกเสพเครื่อง เชื่อไม่เชื่อฟังไว้นะลูกเสือเครื่องคนปลุกเนี่ยตายไปนานแล้วจิตปลุกยิ่ยงดับไปไม่รู้กี่ผี่รอบแล้วแต่ทําไมพระสมเด็จถึงยังคงอยู่สแสดงว่าอํานาจจิตคงอยู่ยั่งยืนกว่าตัวใช่ไะเหมือนกรรมกับอํานาจกรรมใัยคงอยู่นานกว่ากันหน้ากรรมคงอยู่นานกว่าตัวจิตที่เป็นกรรมไอ้คนทำกรรมดีมันเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนตัวแล้วํานึกได้แล้วขอโหรสีแล้ ว, ลวอํานาจไม่ยอมมัอยู่มันก็ตามติดสันดานสัตว์นั้นได้โอกาสว<ม>่าให้ผล ทีนี้คนบรรลุอรรถะมรรคเนี่ยตัวมรรคขยานดับเกิดแล้วก็ดับไม่อยู่แต่อำนาจฆ่ากิเลสมันอยู่มันไม่เสื่อมอรหันมัจึงไม่แตกคนชอบธรรมะเนี่ยบางคนก็อำนาจเวลาเรียนกลางกงจิตมันก็ดับไปกลางกลางใช่ไหมแก่แปกลางกลางคนพูดก็พูนแล้วก็แปลงฟันทุวันตัดผมทุกเดือนอะไรอยา่างนี้นะแก่ลงไปทุกทุกปีก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่นานก็คือว่าอุปนิสัยทางนี้ ใช่หมฮะยังไม่ยอมหยุดคนฟังก็เหมือนกันก็ก็แก่เท่ากันไปถึงขนาดหลายๆคนก็ลาหัวเข่าลาขึ้นไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปหลายแล้วตั้งแต่คุณแม่เจ้าของบริษัทนี่มาได้วันเดียวก็สังชมแล้วนี่แต่นี่ท่านก็มาอยู่ตั้งนานนะก็เวลานี้ก็อยู่บ้านไปแล้วแพ้ไปแล้วแล้วก็มีอีก หลายหลายคนค่อยๆแพ้ไปนี่จะดูว่าใครจะแพ้ก่อนปวดไปผู้มาไม่แน่หนุ่มๆมาจะขึ้นไม่ได้ก็ได้ผมนี่อาจจะไปแพ้วันใดวันหนึ่งด้วยเหตุใดเหตุนหนึ่งก็ได้มันก็ติดเนี่ยมันติดไปถึงชาติหน้าด้วยใช่ไหมถ้าเราเข้มแข็งเป็นปกตวิวุฒิสยะปัจจัยมันก็แข็งเข้มแข็งมากแข็งขึ้นไปถึงระดับสูงถึงอปฏิบัติถึงอะไรอะไรอย่างนั้นเป็นขั้นสูงต่อไปซึ่งเหล่านี้แหมเรา เรามานึกดูว่าเรามันก็พึ่งได้ตรงนี้นะไอเหตุปัจจัยเนี่ยนะเหตุปัจจัยที่มันมีอายุใช้งานมานหน่อยพึ่งเราไว้กินชาตหน้าได้เราเป็นได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าของเก่าเราแหละไปดูข้อที่สามสังฆตาธรรมทั้งหมดเป็นได้ทั้งปัจจัยธรรมและปัจจัยุบันธรรมดูดลูกเกิดจากพ่อแม่แล้วอาเป็นพ่อแม่ต่อไป ตัวนี้ค่อยๆ อ, อ, อธิบายเห็นมิติอีกมุมหนึ่งคือตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นทั้งเหตุทั้งปัใจจัยในสิ่งเดียวกันเช่นกรรมเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมเนี่ยคนจะทำกรรมทำโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยหรือมีใช่ไหมจึงทำกรรมได้เช่นเรานั่งเราทำกรรมฐาน ทำไมถึงน้าทํากรรมฐานได้เพรามีคนชวนเพราะมีครูใช่ไหมเพราะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นรองรับตั้งเยอะเป็นเครื่องอนุกงรอบวงอาจารย์เราจะใส่บาตรก็มีเหตุมีปัจจัยมีพระมีศรัทธามีวัตถุทานที่จะใส่นี่คือเหตุปัจจ<อ>ัยเมื่อกรำสําเร็จเพราะเหตุปัจจัยแล้วกรรมก็ทําให้เกิดวิบากเราก็ได้วิบาก พอได้วิบากแล้วิบากเอามาเป็นทุนต่อยอใช่ไหมเช่นเราอย่างเราทําความดีบางอย่างได้เพราะว่าเรามีพื้นฐานทางกุศลวิบากบางอย่างรองรับใช่ไม่ใช่อย่างเมื่เรามานั่งฟังธรรมะเนี่ยเกิดก้นเป็นฝีตลอดชีวิตเนี่ยมันก็นั่งไป แ, แต่นี้เขาไม่เคยบอกหรอกมีบางคนสนิทกัถึงบอกเป็นรกเป็นลิทิดวงฟังไม่ได้เลิกฟังว่าเป็นลิทิดวงนะ ต้องไปนอนฟังอนะ่ะนั่งฟังนานไม่ได้เรีนรีทีโดงรุนแรงดังนัง้เรามีพื้นฐานหลายอย่างที่เป็นวิบากเราถึงแล้วมื่อวีไอออกุศลนิบากระบุเรียนได้เกิดฟังธํามปะนั่งวัจจฉลาๆๆก็ออกกุศลนิบาติใช่มไหมพระเชษฐาดินมางองได้รับกรองบ้านกรองเมืองแล้วก็ไม่มีความสามารถจะรักษาบ้านเมืองได้ถูกข้อจริยธรรมบัตรเลยตั้งหนีออกบวชออกบวชบวมลูกเป็นล้ปปนาหลานไป เรือนี้ก็มปนเรื่องของชะตากรรมเรื่องของสภาค้าของเหตุปัจจัยนี่มันแยกโยนออกไปอีกนะไม่ได้พูดว่าบาปหรือบุญจะต้องเป็นอันเดียวแต่ว่าตอนลงมือทาเนี่ยมันต้องมีบุญรองรับยิ่งอุศนิบากรองรับเพราะฉะนั้นในตัวเราเนี่ยอันหนึ่งเป็นปัจจัยแค่อันหนึ่งด้วยเหตุปัจจัยแบบหนึ่งหนึ่ง และอันที่เกิดจะเหตุอะไรก็ไปเป็นปัจจัยแก่อันอื่นหรือกลับมาเป็นเหตุปัจจัยแกอันหนึ่งหรือเหตุปัจจัยอันหนึ่งเหมือนมือซ้ายอ่าล้างมือขวามือขวาล้างมือซ้ายเท้าซ้ายล้าง้าขวาเท้าขวาล้างเท้าซายเป็นปัจจัยอย่างนี้อถ้าพูดเป็นแบบจำนวนเนาะพระมีค่าได้บิณฑบาตได้ข้าวฉันก็เพรากุศลนี้บากและพระเพราะได้ฉันข้าวนั่นแหละจึงได้เจริญในกุศลได้ เนั้นตึงผู้รอดตัวเราเนี่ยเป็นก้อนแห่งเหตุผลเป็นก้อนแห่งเหตุผลทุกทุกคนปัปอะไรอะไรก็เป็นก้อนแห่งเหตุผลหมดแต่ตัวมนุษย์ตัวสัตว์เนี่ยเป็นก้อนแห่งเหตุผลใหญ่ลึกซึ้งต่อไปที่ที่สี่สังฆาธรรมทั้งหมด เป็นปัจจัยแก่กันได้โดยแสดงอานาจที่ตนมีแก่สังคตาธรรมอื่นอื่นอันนี้ก็สองคล้องข้อสามเมื่อกี้เป็นปัจจัยแก่กันได้สืออันหนึ่งเป็นปัจจัยแก่อันหนึ่งมันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้แหละครับและข้อห้าสังคตาธรรมเป็นปัจจัยแก่สังคตาธรรมข้างเดียวสังคตาธรรมคือนิบาน เ ป, ปจจเป็นอารมณ์อารมณะปัจจัยเป็นอารมณนาที่ปฏิปัจจัยคือเป็นอารมณ์ที่รุนแรงแก่จิตที่หน่วงอนิพานเป็นอารมณ์ได้คนที่หน่วงเอาสังขา น, พานิพานเป็นอารมณ์ได้จึงมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตตื่นเต้นที่สุดยิ่งกว่าการได้เห็นหน้าอะไรที่เขาว่าตื่นเต้นมาแล้วทั้งหมดและเป็นความตื่นเต้นที่ ราบเรียบที่สุดนะไม่ใช่ตื่นเต้นอย่างยาโรยตื่นเต้นอย่างรำลุตื่นเต้นอย่างคนบ้าอย่างคนไม่มีสติอันนี้เป็นภาษาเที่นะใช่นะคนบ้าเวลาตื่นเต้นเนี่ยก็ตื่นเต้นแบบไม่ราบเรียบแต่คนดีคนผู้ดีก็ตื่นเต้น่ะตื่นเต้นอย่างตสงบราบเรียบอย่างมีโสรั จ, จะ้ะคนที่หนูนี่พ่านเป็นอารมณ์ได้จึงเป็นความตื่นเต้นที่เรียบร้อย ที่สกลุมลุ่มลึกเพราะอะไรเพราะว่ากายาณิพานมาเป็นอารมณ์ได้ก็ต้องสกลุมลุ่มลึกต้องเป็นคนลึกไม่ใช่เป็นคนตื้นจึงเอานิพานมาเป็นอารมณ์ได้นิพานเด่นก็เป็นของสกลุ่มลุ่มลึกต่อไปอข้อหกทําหลายอย่างเป็นปัจจัยอย่างเดียวกันได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสทําให้ตกใจได้อันนี้หมายถึงเป็นอารมณปัจจัยทําให้คนตกใจได้ เหมือนกันใช่มะตกใจนี่เป็นกิเลสร้อนอ น, นันหนึ่งเห็นรูปแล้วตกใจได้ใช่ไหมใช่ฟังเสียงแล้วตกใจได้ใช่ไหมใช่ได้กลิ่นแล้วตกใจได้ใช่ไหมใช่กลิ่นอะไรที่ทำให้คนตกใจใชก่กลิ่นสาบกลิ่นสางผสภาทำให้คนตกใจได้ น, นี่ก็แน่และใจใช่เดีย ถ้าจาหนี้ที่มากระเย่าตรงกระเย่าตัวเนี่ยทําให้สกใจนี่พูดถึงหนึง่งมุมหนึ่งนะทำให้คนดีใจก็ได้เป็นอรมาปัจจัยนี่ยกตัวอย่างกรณีเดียวเท่านั้นนะเพื่อแสดงว่าทําหลายอย่างเป็นปัจจัยในรูปเดียวกันได้คนหลายคนเป็นปัจจัยในรูปเดียวกันได้ก็เท่า น, นี้แหละและสุดท้ายก็คือทําอย่างเดียว เป็นปัจจัยหลายอย่างได้อ่าตรงนี้แหละครับที่อ่ามันมันมันยากกว่าเมื่อกี้เอ้เมื่อกี้เขาเรียกว่าสงเคราะห์ของหลายอย่างมาเอาของหลายอย่างมารวมของหลายอย่างรวมลงในอำนาจเดียวแต่ อ, อีกอย่างคือของอย่างเดียวมีพลังหลายอย่างในตัวเหมือนกับคนคนเดียวมีความระมากหลายอย่างในตัว อยู่ที่ยกตัวอย่างให้เห็นในอย่างเช่นสมาธิ จ, จิตสมมติว่าเป็นเมตตาเจโตวิมุตต จ, จ, จิตเมตตาเจโตวิมุตเนี่ยหมายถึงคนที่ได้ฌานด้วยการแผ่เมตตาจะเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตไอ้ ย, ยงางเรบไฟแผ่เนี่ยไม่ใช่เมตตาเจโตวิมุตนะนั่นอย่าไปเรียกร้องอันนี้สอครบสิบเอ็ว่าอย่าพิษไฟทำอันตรายไม่ได้ ยี่อะไพอไม่ได้อย่ามาโทษธรรมะเพราะของท่านบอกต้องเป็นเมตตาเจโตมุตเกิดผลสิบเอ็ดอย่างเต็มร้อยจริงๆรับรองได้เนี่ยสมมติเราสมมาที่เมตตาเจโตมุตเนี่ยพลังในทางสังคมบำบัดปัดเป่านะอาเพศภยัยตา่างๆแล้วก็เรียกร้องชักดึงเอามิตรภาพเอาสิ่งที่นา ป, าปรารถนาเข้ามา อำนวยคสะดวกต่างๆเกิดได้เพราะนั้นเวลาอย่างที่ว่าเราแผ่เมตตาเนี่ยบางทีก็ถามว่าเอ๊ะทำไมแผ่แล้วคนนั้นเขาถึงไม่เป็นอะไรขึ้นมาเลยไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยแต่ว่ายความเขามีข้าวกินก็ยังอดอยู่อันยังกล้ามเลยก็บอกเอ๊แผ่จะทําให้เกิดผลไหมตรงนี้นะฮเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยถ้าพูดถึงว่าตามรุของเมตตา สำหรับคนไม่มีพลังสมาธิถ้าคุณแผ่เมตตาแบบใช้พลังสมาธินี่ยได้หัวใจเขาด้วยแล้วก็ได้การสงเคราะห์เขาด้วยหมายถึงว่าเขาเขาป่วยทําให้หายป่วยได้เป็นไปได้อย่างนี้นะแต่ไอตรงนี้ผมหมายว่าทุกอย่างพูดอยู่บนเงื่อนไขของเหตุปัจจัยแต่พุณว่าคนนั้นถ้าไม่ได้เหตุปัจจัย น, นี้เขาแก้ไม่ได้เขาคนไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้อันนี้ ทำให้เขาเนี่ยหายป่วยด้วยแล้วก็เกิดวิถีภาพก็เลยไอ้วิถีภาพเนี่ยเกิดจากพลังของเมตตาจิตการหายป่วยเกิดจากพลังจิตพลังสมาธิที่เจืออยู่กับเมตตาทีนี้ในขณะที่แผ่เมตตาถามว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปบุญเป็นบุญเป็นบุญภาวนากุศลกัลลินี้พราะบามีหลายกันนี้ ถ้าคนคนนี้ไปเกิดแล้วบุญส่งผลนำเกิดจากเป็นคนมีสเสน่ห์เรียกว่าไปที่ไหนก็คนเห็นแล้วถูกตาถูกใจเพราะเป็นคนเจริญเมตตา ม, มามากคนหมันไส้าหายากแม้แต่หมูแม้แต่หมามันเห็นแล้วมันยังไม่อยากกัดอาปาคือ แม้แต่ลุนักเห็นอยังยิ้มไม่อะและไปอยู่ที่ไหนก็มีคนครักไล่อย่างนี้ถือเป็นวิบากถ้ามันเป็นวิบากแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนนั้นเกิดชาติใหม่ไ ด, มได้เซววิบากอันสาเร็จด้วยเมตตาเป็นยนกกรรมมาเนี่ยถึงคนคนนั้นในชาตินั้นนิสยัยเขาเกิดจะค่อยๆกลายเป็นคนโหดร้ายก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่า ถึงร้ายก็รักนี่คนอื่นเขาพูดนะคระับถึงร้ายก็รักแล้วมันมีจริงๆนะคนนี้ที่วิบากนำมาคนเราเนี่ยนะไอ้วิบากมันนำมาเกิดในแต่ชาติมั น, มนอยู่ที่ว่ากำลังเสเวยผลดีของอะไรแล้วอุปนิสัยสกุสลเนี่ยกับวิบากกรรมเนี่ยบางทีมันมันคนละเรื่องกันได้ บางคนเนี่ยวิบากมาแต่นิสัยดีไม่มาด้วยนะหรือมานิดหน่อยจ่ากมันเอินไอสิ่งแวสล้อมหรือไอกุศลนี่บาสมันทำลายนิสัยดียตัวตามเหตุปจัจจัยทุงคนบางคนนะมันก็เลยกลายเป็นนิสัยชั่วแต่ประสบความสาเร็จแล้วบางคนก็วิบากไม่ดีนํามาและนิสัยดีมานิสัยดีแตประสบความล้มเหลว จนขวาวิบากนั้นจะหมดกําลังหรือไปสร้างความเพียรสร้างเหตุปัจจัยเข้ามาถอนกาลังวิบากนั้นให้เพาลงก็ลเลยกลายเป็นคนสุกสนิบวันนี้เราจบไปแค่นี้ก่อนราน่าจะสืบต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วเก็จะพูดกันอีกคัอีกครั้งหนึ่งแล้วจะหยุดไปสองครั้งก็จะพาต่ออีกเดือนหนึ่ง แล้วก็ที่หยุดเนี่ยก็หลายท่านคงทราบแล้วว่าเรามีากิจกรรมพิเศษเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้สมัครก็เขียนไว้สมัครเดี้ยหรือมีเพื่อนที่เห็นว่าสนใจอยากจะมาฟังก็อาจจะฝากฝังด้านมายื่นใบสมัครได้เราคงจะรับได้สักร้อยแปดสิบนะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบแปดครับสิบสี่คราวหน้ามีมีเรื่องนี้เรื่องประธาน ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับอินเดียวันนี้ขอยุดตีนี้นะครับรเภสตัตตาเวลาอพยาปัจ ช, ชาอะนีขาสุขีอัตตาังปริหารันตุขอปิดประชุมครับ